ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคริสเตียนแล้วก็คนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะคะก็มีความตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้ฉลองคริสต์มาสนะคะก็ตอนนี้ไปตามห้างสรรพสินค้าหรือไปที่ไหนนะคะเราก็ได้ยินเพลงคริสต์มาสเราก็มีความสุขในชีวิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่สําคัญเพราะว่ามันเป็นโอกาสอย่างมากๆที่ จะมีคนเข้ามาถามเราว่าทําไมเราต้องเฉลิมฉลองคริสต์มาสคริสต์มาสคืออะไรความหมายของคริสต์มาสมันมีความหมายอะไรหรือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้อธิบายให้คนหลายๆคนได้มีโอกาสเข้าใจความหมายของคริสต์มาสแต่ในความเป็นจริงเวลาที่เราอธิบายความหมายของคริสต์มาสอะค่ะมันไม่ใช่แค่เราอธิบายว่าพระเยซูเกิดในโลงโว์วอมีคนมาเฝ้ามีมีสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็จบความหมายของคริสต์มาส แต่จริงๆแล้วความหมายของคริสต์มาสมันมีมากกว่านั้นมันเป็นเพียงแค่เรื่องราวการประสูตธ์ของพระเยซูคริสต์ที่โรงวัว น, นั้นเนี่ยมันเป็นแค่ซีนหนึ่งเท่านั้นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพันธกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูคริสต์ฉันเวลาที่เราจะอธิบายความหมายของคริสต์มาสหรือจริงๆแล้วเวลาที่เราจะเข้าใจคริสต์มาสเนี่ยมันก็คืออย่างหัวข้อที่ข้าพเจ้าใช้ในบ่ายวันนี้มันคือพระกิตติคุณ และเป็นภักิติคคณแห่งความรักของพระเจ้าจริงๆง่ายๆเวลาที่เราอยากจะบอกคนอื่นว่าเอะอะไรคือหลักสำคัญของความเป็นคริสเตียนหรือคำสอนในคิดศาสนาเราสามารถสรุปได้ง่ายๆว่ามันเป็นคำสอนเรื่องความรักอยู่บนพื้นฐานของความรักฉันแล้วเนี่ยวันคริสต์มาสมันคือโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันภากิตดคนแห่งความรักของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเองต้องกลับมาทบทวนในฐานะที่เราเองเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเข้าใจพระกิตติคุณแห่งความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราเองอย่างไรบ้างมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่านะคะว่าในช่วงที่ข้าพเจ้าไปเรียนหนังสือก็ได้มีโอกาสได้อ่านเรื่องราวของชีวิตของมหาตามะคานทีรวมถึงคําสอนหลายๆอย่างของเขานะคะแล้วก็ จะเห็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยว่าคำสอนหรือว่าสิ่งที่มหาตรรคาญทีเนี่ยสอนมันจะมีเรื่องราวคำสอนของพระเยซูเนี่ยอยู่ในนั้นมากทีเดียวแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวของมิชนารีคนหนึ่งที่เขาได้มีโอกาสเจอกับมหาธรรคารทีแล้วก็ถามเพราะด้วยความที่ม ห, มห า, ามารรคารทีเนี่ยเป็นผู้นำคนหนึ่งที่ได้รับการ เคารพนับถือจากคนหลายๆคนและสิ่งที่สังเกตก็คือว่าท่านมักจะพูดหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับคำเทศนาบุญภูเขาของพระเยซูมิชนารีคนหนึ่งนะคะชื่อว่าอีส a ต l e y j o โจนส์ได้มีโอกาสพบกับคารทีแล้วก็ถามคารทีว่าผมเห็นคุณเนี่ยมักจะพูดถ้อยคำของพระเยซูคริสต์บ่อยมากๆแต่ทำไมคุณถึงไม่เป็นสาวกของพระเยซู ทั้งที่ดูเหมือนคุณซาบซึ้งในคําสอนของพระเยซู ม, มากมหตมาตมะคารท์ทีบอกว่าผมอ่ะไม่เคยต่อต้านพระเยซูคริสต์ของคุณผมรักพระเยซูคริสต์ของคุณแต่ที่เป็นปัญหาสําหรับผมมันคือคริสเตียนหลายคนไม่เห็นจะมีชีวิตเหมือนกับพระคริสต์เลย และคานทีได้เล่าประสบะการณ์ของเขาตอนที่เขาเรียนหนังสืออยู่ที่แอฟริกาที่แอฟริกาใต้ท่านมีความสนใจในความเชื่อของคริสเตียนมากแล้วก็ได้ศึกษาพระคัมภีร์รวมถึงคําสอนของพระเยซูแล้วก็ตั้งใจจะศึกษาความเชื่อของคริสเตียนอย่างจริงจังจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยท่านได้ก้าวเข้าไปในคฤหาสน์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นคฤหาสน์ของคนผิวขาวที่เซาล์แอฟริกาหรือที่แอฟริกาใต้ ปฏิคมของคคริอจักรเนี่ยเดินเข้ามาถามคารทีว่าคุณมาทําไมที่นี่คานทีก็ตอบว่าผมตั้งใจมาร่วมนมัสการที่นี่ครับปฏิคมท่านนั้นในเครืจักรก็เดินมาบอกกับคานทีว่าเครือจักรของเราไม่มีที่สําหรับคุณขอเชิญออกไปหรือจะให้เจ้าหน้าที่ของเราโยนคุณออกไปจากวันนั้นคารทีตัดสินใจ ที่จะนำความคิดและคําสอนที่พบในความเชื่อของคริสเตียนมาใช้แต่จะไม่มีวันกลายเป็นคริสเตียนหรือเป็นส่วนหนึ่งของคิดครจักรเห็นไหมคะว่าแค่เหตุการณ์เหตุการณ์เดียวในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถตัดสินใจอะไรได้หลายๆอย่างทั้งๆที่คนคนนั้นเนี่ย เขามีความซาบซึ้งในคำสอนของพระเยซูคริสต์มากๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คำสอนของพระเยซูนะคะคำว่าคริสเตียนเนี่ยมันมีปรากฏอยู่แค่สาครั้งเท่านั้นในพระมันผีในช่วงสมัยของทิละจักรเริ่มแรกกลุ่มคริสเตียนเนี่ยถูกเรียกว่าคริสเตียนเพราะว่าคนเหล่านั้นคือผู้ที่มีพฤติกรรมการกระทำคำพูดเหมือนกับพระเยซูคริสต์ ฉะนั้นคนในสมัยนั้นจึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคริสเตียนหรือคนที่ติดตามและมีชีวิตเหมือนพระคริสต์การเป็นคริสเตียนมันจึงไม่ใช่แค่คนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่เป็นคนที่มีลักษณะเหมือนกันกับพระเยซูด้วยฉะนั้นเราเนี่ยการที่เราเองเป็นคริสเตียนเนี่ยสิ่งที่สำคัญมันคือการเรียนดูว่า ลักษณะของพระเยซูคริสต์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงเราถึงจะสามารถบอกตัวเองได้ว่าเราเป็นคริสเตียนจริงๆแล้วคิดวจักรของพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้เพียงแค่ให้คนในชุมชนเนี่ยเห็นพระคริสต์ในชีวิตของเราสิ่งแรกที่สุดเราเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์จากการที่พระเยซูคริสต์ปฏิบัติต่อคนที่เป็นคนบาป หรือคนที่ด้อยค่าในสังคมจึงแล้คะเวลาที่เราปฏิบัติกับคนปกติธรรมดาก็อย่างหนึ่งแต่เนื้อแท้ในชีวิตของเราเนี่ยมันต้องดูเวลาที่เราอ่ะปฏิบัติต่อคนที่เขาด้อยกว่าเราว่าเราปฏิบัติกับเขาอย่างไรพระเยซูคริสต์เองเนี่ยในสมัยของพระเยซูมีครูบาอาจารย์มากมายพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นครูคนค น, คนเดียว ต่พระเยซูคริสต์เนี่ยแล้วก็เป็นคือในสมัยของพระเยซูคริสต์เนี่ยมีครูทางศาสนาเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดที่สอนเรื่องพรนธุญหยาดของพระเจ้าแต่ทําไมจึงมีคนเดินตามพระเยซูตั้งมากมายเพราะว่าบรรดาครูต่างๆที่สอนเนี่ยเขาสอนไม่เหมือนกันกับพระเยซูคริสต์สอน แต่สังเกตว่าคนที่เดินตามหรือเรียกว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนชั้นล่างคนที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะเข้าไปถึงธรรมบัญญัติมากนักหรือแม้แต่คนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำตามธรรมบัญญัติได้เปะ๊ะๆเปะรเซเพราะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่พระเยซูคริสต์สอน พรธรรมของพระเจ้าเนี่ยพระเยซูคริสต์เน้นในการสอนสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้แล้วก็สามารถนำปฏิปะไปปฏิบัติใช้ได้จริงไม่ได้ยึดธรรมบัญญัติตามตัวอักษรและพระเยซูคริสต์เองเนี่ยยังคลุกคลีอยู่กับคนที่เรียกว่าคนนอกกรีตหรือคนที่เป็นคนบาปทางธรรมบัญญตัติเช่นพวกเก็บภาษีหรือว่าคนที่เป็นคนหญิงไม้คนชายขอบสังคมทั้งหลาย ฉนันเราเนี่ยพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการท่านทั้งหลายจงไปเรียนพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเรามิได้มาเพื่อเรียกคนที่เห็นว่าชอบธรรมแต่เรามาเรียกคนที่ท่านว่านอกฤตนี่คือพัน พันธกิจเป้าหมายในการรับใช้ของพระเยซูคริสต์ในแผ่นดินโลกและตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากในพระธรรมลูกในยอห์นบทที่8ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ 11, เป็นเรื่องราวหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องราวของหญิงโสเภณีคนหนึ่งที่เขาถูกจับในขณะที่เขาล่วงประเวณีอยู่และคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพวกธรรมาจารย์ฟาริสีหรือคนที่อยู่ในธรรมบัญญัติเนี่ยก็จับผู้หญิงคนนี้มา โทษฐานของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือต้องเอาถูกหินคว้าให้ตายเพราะว่าเขาทาผิดธรรมบัญญัติที่ร้ายแรงของคนหยิวฉะนั้นผู้หญิงคนนี้นถูกจับมาหาพระเยซูคริสต์และคนเหล่านั้นหรือพวกธรรมาจารย์เนี่ยก็ถามพระเยซูคริสต์ว่าพระอาจารย์เจ้าข่าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่ ตามธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นเราต้องเอาหินคว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้ในเวลานั้นพระเยซูกิตก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรพระองค์ก็นิ่งเพราะพระองค์รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยตั้งใจอยากที่จะทดลองทดสอบหาเหตุที่จะจับหรือหาเหตุที่จะฟ้องร้องพระเยซูได้ พระเยซูก็นอมพระกายลงเอานิ้วเขียนที่ดินและเขาก็ยังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นตัดตอบว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนและพระองค์ก็น้อมพระกกยเอาหินเอานิ้วพระหัสเขียนที่ดินอีก แต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นเขาทั้งหลายจึงออกไปทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลำพังผู้หญิงคนนี้ถูกจับด้วยความผิดจากการล่วงประเวณีบทลงโทษก็คือต้องเอาหินคว้างให้ตายพระเยซูคริสต์จะลงโทษผู้หญิงคนนี้อย่างไรแต่สิ่งที่พระเยซูคริส ต, ต์ตอบสนองคือนิ่งเฉยไม่ตอบโต แต่ก็ก้มลงแล้วเขียนที่ดินไม่มีใครรู้ว่าข้อความที่พระเยซูขีดเขียนคืออะไรแต่การแสดงออกของพระเยซูขีดคือนิง่งกลุ่มฟาริสีและพวกธรรมจักรก็ถามย้ำแล้วย้ำอีกจนกระทั่งพระเยซู จ, จึงตรัสและถามว่าถ้าใครไม่มีผิดก็ให้เอาหินขว้างผู้หญิงคนนี้ในความเป็นจริงผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกตัดสินโทษก่อนที่จะนํามา ถึงพระเยซูแล้วแต่สิ่งที่พระเยซูคิดกระทําแทนที่พระเยซูคิดจะมุ่งมองไปที่ความผิดหรือความบาปของคนคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้แต่พระเยซูคิดกลับไปตรัสกับคนที่จับผู้หญิงคนนี้มาว่าถ้าใครไม่มีผิดก็ให้เอาหินขว้างเขาตายก่อนวิธีคิดของพระเยซูแตกต่างจากวิธีคิดของธรรมจารย์เพราะว่าพวกธรรมจารย์หรือพวกฟาริสีเนี่ย มองเห็นแต่ความผิดของการกระทำแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์มองพระเยซูคริสต์มองแตกต่างกันพระเยซูคริสต์ไม่ได้มองผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นหญิงเลวแต่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ต้องการพระเจ้าคนที่สํานึกในความผิดของตนเองในพระธรรมสรุดีบทที่145่งข้อที่14บอกว่าพระเจ้าทรงชูทุกคนที่กําลังจะล้มลงและทรงยกทุกคนที่โน้มตัว ลงให้ลุกขึ้นในขณะที่ฟาริสีเนี่ยมองผู้หญิงคนนี้ด้วยความผิดเป็นผู้หญิงเลวแต่พระเยซูกิตมองว่าผู้หญิงคนนี้มีความน่าสงสารเพราะว่าเขามองเห็นผู้หญิงคนนี้รู้ว่าตัวเองเลวรู้ว่าตัวเองบาปฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเยซูกิตไม่มีความจําเป็นต้องไปบอกเขาอีกว่าเขาเป็นคนเลวเขาเป็นคนบาป แต่พระเยสกิดเลือกที่จะตัดกับฟาริสีและธรรมจาร์นเพราะว่าคนเหล่านั้นยังมองไม่เห็นความบาปของตัวเองด้วยซ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อที่สข้อที่4เหตุไฉนท่านมองดูผงในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านไม่รู้สึก เหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องว่าให้เราเขีดพงออกจากตาของเธอแต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาแต่ที่จริงมีไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองและเมื่อพระเยซูกิจี้ไปที่จุดคนเหล่านั้นก็กลับมามองดูตัวเองพระเยซูกิจไม่ได้บอกไม่ได้ชี้หน้าใครสักคนหนึ่งเลยด้วยซ้ําว่าคุณเลวคุณไม่ดี แต่เมื่อพระเยซูคริสต์แค่ชี้ไปว่าไปทบทวนดูว่าในตาของเราเนี่ยมันมีไม้ทางท่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าและเมื่อเขากลับไปทบทวนดูก็เริ่มหายไปทีละคนจนไม่เหลือเลยแม้กระทั่งคนเดียวคนจำนวนไม่น้อยที่เวลาได้ยินคำเทศนาของพระเยซู เกิดความประทับใจไม่ใช่เพราะพระเรยซู ส, สอนเก่งแต่เพราะว่าพระองค์สอนพระคำของพระเจ้าที่จับต้องได้พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางคนเลวคนบาปคนที่สังคมไม่ยอมรับแต่พระองค์มองเห็นความปรารถนาในจิตใจของคนเหล่านั้นว่าคนเหล่านั้นคือคนที่ต้องการพระเจ้าพราะเขาเป็นคนเจ็บที่ต้องการหมอนอกเหนือจากการที่ให พระเยซูคริส์ให้มองเห็นและเห็นใจและมองเห็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอคือคนเหล่านั้นต้องการโอกาสและการให้อภัยและพระเยซูิต์ก็หยิบยืนสิ่งนั้นให้เขาในพระธรรมมัทธิวในพระธรรมยอม์บทที่8ปดข้อที่เถึงข้อที่1 1ก็คือเรื่องนี้ต่อจากนั้นว่าเมื่อคนเหล่านั้นเดินออกไป เริ่มจากคนแก่ไปจกนกระทั่งคนที่หนุ่มสุดท้ายแล้วก็เหลือแต่พระเยซูกิตตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่อยู่ต่อหน้าพาพักของพระองค์พระเยซูทรงเงยพระพักขึ้นตรัสกับหญิงว่าญิงเอย๋ยผู้เขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือนางนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าข่าไม่มีผู้ใดเลยและพระเยซูกิตตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดแล้วอย่าทาผิดอีก ผู้หญิงคนนี้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตามกฎหมายเธอต้องถูกเอาหินคว้างจนตายแต่เวลาเนี้ยคนที่อยากจะคว้างเธอจนตายเนี่ยเดินหายไปหมดไม่เหลือใครเลยแม้แต่คนเดียวและเพียงท่อยคำของชายคนหนึ่งเพียงแค่ประโยคเดียวทำให้คนหายไปหมด ทำให้คนที่อยากจะลงโทษเธอเปลี่ยนใจเดินจากไปและสุดท้ายก็เหลือผู้ชายคนเนี้และสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เกินความคาดหมายนั่นก็นคือผู้ชายที่เหลือคนเดียวคนนี้ก็บอกกับเธอว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดแล้วอย่าทําผิดอีกคํำนี้ค่ะมันจะเป็นคําที่มีความหมาย และจะติดอยู่ในชีวิตของคนคนเนี้ไปจนตายการให้อภัยใครสักคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีค่ามหาศาลทั้งผู้ให้อภัยและผู้รับการให้อภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ที่รับการให้อภัยผู้หญิงคนเนี้เขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาไม่ดีเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาทําผิดแต่พระเยซูคริสต์ทรงให้อภัยคําพูดประโยคนี้ จะเป็นคําพูดที่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีวันลืมเลยเราก็ไม่เอาผิดเจ้าเหมือนกันจงไปแล้วอย่าทําผิดอีกการยกโทษว่าจงไปและอย่าทําผิดอีกดูเหมือนเป็นคําง่ายๆแต่มันเป็นคําที่จะมีความหมายสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองผิดจริงๆแล้วมันจะมีความหมายมากๆสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ ถามว่าเขาจะอยากกลับไปแล้วยืนอยู่ที่จุดเดิมหรือเปล่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับการให้อภัยแต่เขาได้รับเขาจะไม่มีวันกลับไปยืนอยู่ในจุดเดิมของชีวิตเขาอีกเพราะเขารู้ว่าชีวิตเดิมของเขาได้ตายไปแล้วคนที่ให้อภัยคือคนที่หยิบยื่นชีวิตใหม่ให้เขาและเป็น ชีวิตที่เขาจะไม่มีวันยอมสูญเสียมันไปอีกและนี่คือพระเมตตาและคือพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การเป็นสมาชิกของคิดรจักใดคิดรจักหนึ่งแต่มันคือการเป็นคริสเตียนแท้คือคนที่สวมชีวิตแบบพระคริสต์อยู่ในชีวิตคนที่มีลักษณะของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตประจาวันทุกๆวัน เพราะว่าเมื่อมองดูชีวิตของพระคริสต์และเรามีความตั้งใจมีความปรารถนาอยากที่จะเดินอยากที่จะมีชีวิตเหมือนคนคนนี้เราอาจจะไม่สามารถเป็นพระเยซูคริสต์ได้ร้อยเปเซน์เพราะข้อจํากัดหลายๆอย่างในชีวิตของเราแต่ถ้าเจตนาและความตั้งใจของเราเราอยากจะเดินเหมือนกันกับพระเยซูคริสต์ความตั้งใจนั้นมันจะช่วยทําให้เรามีชีวิตที่เหมือนพระคริสต์มากขึ้น ทุกวันทุกวันและพระกิติคุณแห่งพระเยซูคริสต์มันคือพระกิติคุณแห่งความรักและการให้โอกาสในเวลาที่พระคริสต์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกพระองค์อยู่กับคนที่บกพร่องอยู่กับคนที่เจ็บปวดทั้งทา ง, ทงร่างกายและก็จิตใจแต่ความรักของพระคริสต์เนี่ยมันแตกต้องชีวิตในพระธรรมติตัสที่เราได้อ่านไปข้อที่สบทที่3ข้อ3ถึงข้อ6มันคือสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะให้เราได้พิจารณาตัวเราเอง ว่าเมื่อก่อนเราเองก็งโง่ไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นธาตุของกิเลสตัณหาและการเริงสำราญต่างๆใช้ชีวิตอย่างเลวร้ายริษยาหน้าช่างและหน้าเกลียดชังแต่เมื่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดได้ปรากฏในโลกแล้ว พระองค์ได้ทรงช่วยให้เรารอดมิใช่ด้วยการกระทำและความชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์นั้นทรงประทานแก่เราทั้งหลายโดยบริบูรณ์โดยชีวิตของพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดของเรา ในเวลาของคริสต์มาสที่กาลังจะมาถึงมันเป็นโอกาสมันไม่ใช่แค่โอกาสที่เราเองจะได้พูดเรื่องของพระเจ้าให้กับคนอื่นที่ยังไม่มีโอกาสดูจักแต่มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เราจะได้พิจารณาชีวิตของเราเองว่าเมื่อก่อนเราเคยโง่เมื่อก่อนเราเคยมีชีวิตที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามันไม่มีความจาเป็นต้องให้ใครมาชี้หน้าบอกเราว่าเธอไม่ดี แต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราเองรู้อยู่ในจิตสานึกผิดชอบชั่วดีของเราแล้วมันเป็นโอกาสที่เราจะได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้พร่องมาตายเพื่อเราด้วยเพื่อชีวิตของเราจะได้มีโอกาสกลับใจใหม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองสิ่งใดที่เราเองยังดำเนินชีวิตยังไม่สามารถจะสวมชีวิตแบบพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราได้มันเป็นโอกาสเป็นความตั้งใจ ที่เรามีความตั้งใจอยากจะมีชีวิตเหมือนกับพระเยซูคริสต์มากขึ้นไปอีกทุกๆครั้งที่ถึงวันคริสต์มาสมันเป็นการย้ำเตือนเราว่าพระองค์รักเรามากพระเจ้ารักเรามากให้พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกมนุษย์เพื่อจะช่วยชีวิตของเราหากใครก็ตามที่กําลังมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่มีค่ามากเพียงพอแต่พระเยซูคริสต์ก็รู้ว่าเราเองทุกคนก็เป็นคนบาป ไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพียงพอที่จะเอาความดีของตัวเองแลกกับความรักของพระเจ้าเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยพระคุณของพระเจ้ามันคือของขวัญแม้ว่าเราไม่ดีพอแม้ว่าเราไม่สมควรแต่เพราะพระเมตตาของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราพระองค์จึงเป็นของขวัญแห่งวันคริสต์มาสเป็นของขวัญแห่งชีวิตที่มาถึงชีวิตของเรา เฉันประกิติคุณแห่งความรักของพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าประทานความรักให้แก่เราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นใครเราจะมาจากสังคมแบบไหนไม่ว่าใครจะมองชีวิตของเรายัางไงก็ตามแต่สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อใครก็ตามได้มีโอกาสสัมผัสกับความรักของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าเป็นมเมล็ดที่มันเติบโตขึ้นในชีวิตของเราวันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าเมื่อพระเจ้าเติบโตในชีวิตของเราขึ้นทุกวัน พรคนก็จะมองเห็นชีวิตของพระเจ้าชีวิตพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราและความรักของพระเจ้าก็เติบโตขึ้นเราก็จะมีบุ ค, คลิกภาพแบบพระเยซูคริสต์มากขึ้นและนั่นเองคือเหตุผลที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกมนุษย์เพื่อจะประทานความรักที่ยิ่งใหญ่และการเสียสละบนไม้กางเขนเพื่อชีวิตของเราทุกๆคนฉันแล้วเนี่ยในวันคริสต์มาสขอให้เราได้มีโอกาสทบทวนชีวิตของตัวเอง และเป็นโอกาสเดียวกันเมื่อเราทบทวนชีวิตของตัวเองแล้วชีวิตของเราคือคำพยานที่มีคุณค่ามากที่สุดในการที่จะประกาศให้คนได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสขอพระเจ้าอวยพ ร, พรค่ะ